แฟนของประยดขับรถกระบะไปส่งแล้วก็ตอนขากลับแฟนประยดก็จะไปรับนะคะคืนนั้นประยดไปถึงบ้านนาขอก็เกือบสองทุ่มเข้าไปแล้วก็มองหาทาเลเลือกที่ตกปลากันมันเป็นคลองน้ำที่กว้างใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะสองฝั่งก็แลดูทอมึนรกครึมไปด้วยไม้ยืนต้นทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ยืนต้นแลดูในความมืดเป็นพุ่มเหมือนดังอสุรากายเคลื่อนไหวไปมาเมื่อยามโดนสายลมพัดในค่าคืนนี้ เสียงลมพัดหวีดวิวเป็นแสงเรืองๆนะคะอยู่รอบทิศของหิ่งห้อยที่บินวนเวียนอยู่ในอนาบริเวณนั้นประเอียดก็นั่งตกปลาอยู่กับป้าก่อนหนะเพ่แล้วก็เพื่อนๆอีก 2- อสาคนค่ะก็แยกย้ายกันไปตกด้านเหนือของคลองนั้นๆนะคะก็จะกู่ร้องเรียกหากันเรียกหากันแบบเวลาเข้าป่าไปอะไรสักอย่างก็จะเดยกแบบอู้เป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้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 บ้านของคุณน้ำอ้อยค่ะอยู่ที่คลองเล็กๆที่เชื่อมต่อกันกับคลองแสนแสบนะคะเมื่อประมาณ30ปีก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่มีบ้านเรือนเยอะขนาดนี้เวลาพายเรือนานๆก็จะเจอบ้านสักหลังหนึ่ง แล้วก็เมื่อที่เราพายเรือนะคะออกไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเจอ ก, กันกับคลองใหญ่ๆนะคะซึ่งเป็นคลองที่สร้างตำนานไอ้ขวัญกับอิรียมน้ำในคลองเนี่ยค่อนข้างขุ่นและก็ไหลเชี่ยวที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามีเรือพ่วงซึ่งเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่บรรทุกสินค้าประเภทอิฐหินปูนทรายแล้วก็ไม้นะคะข้ามจังหวัดแล่นผ่านอยู่เป็นประจำ ส่วนตัวของคุณน้ำอ้อยเองค่ะในวัยเด็กเนี่ยค่อนข้างจะขี้ขาดตาขาวแต่ว่าชอบโชว์ออฟทำเป็นคนกล้าบ้าบินยุขึ้นค่ะมักทำตัวเป็นจ่าฝูงจนเจอกับเหตุการณ์แปลกๆยากที่จะอธิบายอยู่บ่อยๆพอเล่าให้ใครฟังเขาก็หาว่าเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระตามประสาเด็กๆ ทีนี้ที่ท่าเรือเก่าวริมฝั่งคลองแสนแสบค่ะเป็นแหล่งนัดพบของพวกคุณน้ำอ้อยนี่นะแล้วก็เหล่าธรมนประมาณ4ี่ห้าคนเวลาอาทิตย์อัสดงก็มักจะพากันลงเล่นน้ำแล้วก็เล่นซ่อนหากันอย่างสนุกสนานค่ะ พเพื่อนๆของคุณน้ำอ้อยเองก็เป็นเด็กผู้ชายไวัยไล่เลี่ยกันสามขวบบวกกับคุณน้ำอ้อยเองแล้วก็น้องสาวก็รวมทั้งหมดเป็นห้าคนวันนี้ก็เช่นเคยหลังจากที่กระโดดน้ำตีลังกา ม, ม้วนหน้าม้วนหลังลงน้ำกันจนสะใจในความสามารถที่ฝึกฝนกันมานานก็เปลี่ยนมาเล่นซ่อนหากันบ้างผลักกันบ้างซ่อนผลัดกันบ้างเริ่มเบื่อค่ะ เพราะว่ามันใกล้มืดในที่สุดก็เหลือคุณน้ำอ้อยเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องเป็นฝ่ายหาเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องอาพากันไปแอบนะคะตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในน้ำนะคะเช่นกอผักตบชวาขอนไม้ที่ลอยมากับน้ำหรือว่าตอไม้เก่ากลางน้าอะไรทานองนั้นยกเว้นบนตะหลิ่งค่ะที่ห้ามขึ้นไปแอบ คุณอ้อยเริ่มหลับตาแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบช้าๆแต่ก็ยังแอบขี้โกงเล็กน้อยนะคะลืมตาดูว่าใครจะกระโดดน้ำไปทางไหนเพื่อซ่อนตัวบ้างพอลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นตอไม้อยู่ใกล้ที่สุดมีผักตบชวาเกาะกลุ่มกันอยู่ก็เลยมุดน้ำไปยังจุดเป้าหมายด้วยเสียงแผ่วเบาจับตอไม้แล้วก็ผักตบชวาแต่ว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นนะคะ บริเวณนี้ก็เลยรู้ด้วยสายตาของตัวเองนะคะว่าเพื่อนทุกคู่เพื่อนๆ เ, เนี่ยกำลังจ้องมองเขาอยู่แต่ว่าเขาเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นเพื่อนมันก็ทำให้คุณน้ำอ้อยเนี่ยมีความรู้สึกผิดหวังเล็กๆแล้วค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมุดน้ำนะคะ เปลี่ยนสถานที่หาบ้างหลังจากที่หาเพื่อนๆที่ต่อไม้แล้วก็มีผักตบชวาแต่ว่าไม่เจอทีนี้เนี่ยเขาก็เลยาหาเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือหยวกกล้วยท่อนใหญ่ค่ะที่ลอยตามน้ำมามันต้องมีใครสักคนหนึ่งซ่อนอยู่ที่บริเวณนี้แน่ๆเพราะว่า เขาเห็นมันคลิกตะแคงมาอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็วก็เลยดำน้ำลงไปแล้วก็ว่ายไปค่ะยังจุดหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบกวาดมือควานหาใต้ผิวน้ําแล้วก็คลำพบกับสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นลำแขนของคนเขาก็เลยจับไว้แน่นเลยไ ม, ม่ยอมปล่อยเลยนะคะแล้วก็รีบทะลึ่งขึ้นเหนือน้ําเพราะว่าต้องการอากาศหายใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าเป็นแขนใครแต่แค่เห็นมือแล้วก็แขนเล็กๆขาวซีดก็พอจะเดาออกแล้วว่าเนี่ยต้องเป็นแขนน้องสาวแน่ๆก็บอกโป้งเอเอก็เลยเออ ขึ้นแบบนี้จับได้แล้วรีบโผลออกมาซะดีๆมัวแต่เอาหัวมุดน้ําอยู่นั่นแหละกูเหนื่อยจนคอแห้งไปหมดแล้วเนี่ยหิวน้ําว้ยแทนที่เจ้าของแขนจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นหน้าค่ะแต่สะบัดแขนอย่างรุนแรงแล้วก็มุดน้ําหายไปต่อหน้าต่อตาคุณอ้อยก็พยายามคว้าแขนนั้นไว้แต่ก็ไม่ทันซะละมันดําดิ่งสู่ใต้น้ําอย่างรวดเร็วก็ได้แต่ลอยคอเกาะต้นกล้วยแล้วก็คิดในใจว่าเอ๊น้องสาวเนี่ยมันจะมาไม้ไหนกันแน่นะ น้อห้อยโดนจับได้แล้วยังไม่ยอมแพ้อีกก็บ่นพึมพำกับตัวเองแล้วค่ะรอคอยอยู่ตรงนั้นเพราะคิดว่าน้องสาวเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็โผล่ขึ้นมาหายใจ เป็นไปไม่ได้ที่จะดำน้าได้อึดและวนานขนาดนั้นคุณอ้อยก็มองไปรอบๆผิวน้ําที่ราบเรียบสาดด้วยแสงสีส้มของพระอาทิตย์ที่ใกล้จะรับขอบฟ้าจิตใจก็เริ่มที่จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็คิดเป็นห่วงน้องสาวเอ๊ะมันชักจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลซะแล้วก็เลยเริ่มมองหาเพื่อนทั้ง3คนด้วยความร้อนรอนแล้วก็เต็มไปด้วยคําถามแล้วเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกมาจากด้านหลังบนริมฝั่งคลองบอกเฮ้ยทําอะไรอยู่วะ มัว ง, งมหาสมบัติใต้น้ำหรือไงพวกกูยืนรอมึงเนี่ยจนตะคั่ยขึ้นแล้วเนี่ยคุณอ้อยมองไปตามเสียงค่ะเห็นเพื่อนผู้ชายสามคนแล้วก็น้องสาวนี่ยื น, ยนเรียงกันสลอนเลยอยู่บนตะลิ่งหัวเราะเยาะแยกเคี้ยวยิงฟัน ที่มันตัดกันกันกบสีผิวดำๆเขียวๆของพวกเด็กน้อยพวกนี้เนี่ยนะคะก็เลยรีบว่ายน้ําตรงไปหาพวกเพื่อนๆทันทีที่กะจะฉะให้หนาใจที่หลอกให้ลอยคอหาพวกเขาอยู่นานสองนานคนแรกที่ตะโกนด่าคือน้องสาวค่ะบอกเออเอมึงนี่โคตรกวนตีนเลยกูจับมึงได้แต่มึงยังไม่ยอมแพ้แม้สะบัดหนีกูอีกถ้ามึงเล่นขี้โกมแบบนี้นะทีหลังไม่ต้องมาเล่นด้วยกันอีกเลยพวกมึง3าคนก็เหมือนกันไม่ต้องเสือกชวนมันมาเล่นด้วย คุณอ้อยสะบดคำหยาบออกมาด้วยโทสะค่ะทุกคนมองหน้าแล้วก็หัวเราะใส่ที่คุณอ้อยเนี่ยกำลังยืนทำหน้ายักแล้วก็พร้อมที่จะกินพวกมันได้ทุกขณะนี่ตั้งแต่มึงนับ 1-10 ถึงพวกกูก็แอ บ, บดูมึงอยู่หลังเขื่อนเนี่ยแล้วก็เห็นมึงมุดน้ำไปเกาะต้นกล้วยนูน่นมึงไปทะเลาะกับต้นกล้วยหรือเปล่าหรือว่าหลับอยู่หรือยังไงวะ เพื่อนพูดขึ้นแล้วก็หันไปมองหน้าน้องสาวพร้อมกับถามปัญหาคาใจอยู่นะคะบอกว่าแล้วมึงไหลอีเอขึ้นมาจากน้ําแต่เมื่อไหร่ทําไมกูไม่เห็นมึงว่ายน้ําขึ้นฝั่งพวกกูยังไม่ได้ลงน้ําเลยแมย้แต่คนเดียวกูแอบดูมึงเนี่ยดูมึงว่ายน้ําไปหาพวกกูเนี่ยพวกกูยังไม่ได้ลงน้ําเลยนะทีนี้เนี่ยน้องสาวตอบแบบตัวแข็งทื่อยืนยันนอนยันบอกว่ายังไม่ได้ลงไปเลยคุณเอก็เลยอ่าคุณอ้อยก็เลยรู้สึกว่า ผมเนี่ยมันตั้งชันแล้วก็ทุกอนูเส้นขนเนี่ยมันดีดตัวพึ้งพังพึงพ้งพังขึ้นร่างกายเย็ยนเยือกเหมือนขั้วโลกเหนือเลยเสียงที่พยายามจะพูดออกมากลับแห้งเหือดก็เลยบอกงั้นก็ผีหลอกกูสิวะทุกคนลากคุณอ้อยลงเรือค่ะ คุณอ้อยไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็รีบจ้ำพายออกจากท่าเรือจ้างตรงกลับบ้านอย่างรวดเร็วไม่คิดจะหันหลังกลับไปมองข้างหลังอีกเลยพอกลับถึงบ้านก็เล่าให้เพื่อนทุกอาให้เพื่อนๆฟังทุกคนต่างก็เข็ดขยาดขนหัวลุกไม่คิดจะไปเล่นน้ําที่คลองที่ไหนอีกเลยเพราะกลัวจะโดนอย่างที่คุณอ้อยโดนแต่ว่าพวกผู้ใหญ่กลับหัวเราะแบบสมเพสค่ะบอกโทษแต่ไอ้แค่ต้นกล้วยลอยน้ํามาตาฝาดนึกว่าแขนผีมือผีกลัวผียจนขี้ขึ้นสมองและสิท่าพวกเอง ตอนนี้เวลาผ่านไป30ปีแล้วแต่ว่าคุณอ้อยเองก็ยังคงหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้นะะว่าไอ้มือและก็แขนเล็กๆเรียวๆซีดขาวที่สะบัดออกจากการเกาะกลุ่มของคุณอ้อยเนี่ยมันคือส่วนไหนของต้นกล้วยช่วยหาคำตอบให้ทีคุณอ้อยฝากบอกมานะคะเมื่อเวลา5โมงเย็นของวันหนึ่งรถโดยสารที่วิ่งจากจังหวัดร้อยเอ็ดจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ รถโดยสารในครั้งนั้นยังไม่มีรถบขอส อ, อย่างในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นรถของเอกชนที่ได้รับสัมปทานวิ่งระหว่างจังหวัดกับจังหวัดค่ะส่วนมากรถโดยสารก็จะตั้งชื่อไพเราะทั้งนั้นอย่างเช่นรถสายันรถอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่นี่เหมือนกันค่ะมีรถที่ชื่อว่าจุธาทิพย์วิ่งจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปจังหวัดอุบลผ่านตัวอำเภอเสิละภูมิได้ประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆหน่อยผ่านดอนปู่ตาของอำเภอเสริละภูมิประมาณ200เมตรนะคะ เงินในกร ะ, ะเป๋าของผู้โดยสารคนหนึ่งซึ่งนั่งมาบนหลังคารถเนี่ยก็ได้หล่นปลิวลงไปจำนวน30บาทจะด้วยความเสียดายหรืออะไรก็ไม่มีใครรู้ได้ชายหนุ่มคนนั้นได้กร ะ, ดะโดดลงจากหลังคารถค่ะในขณะที่รถเนี่ยวิ่งเต็มที่หัวของเขาได้กระแทกกับพื้นถนนซึ่งสมัยนั้นยังเป็นถนนลูกรังปรากฏว่าใบหน้าของเขานี่หายไปครึ่งหนึ่งเลยคุณผู้ฟังส่วนคนขับรถกว่าจะรู้ตัวค่ะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรถก็เลยไปไกลได้ตั้งร้อยกว่าเมตรแล้วก็เลยหยุดรถไว้ ผู้ได้สารทั้งหมดก็ทยอยลงมาดูศพพร้อมกันนั้นค่ะบรรดาไทายมุงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นทุ่งนาระยะประมาณ1กิโลเมตรเลยไปก็จะเป็นหมู่บ้านถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นอําเภ อ, อเสละภูมินะคะผู้ที่เล่าเรื่องนี้กับเพื่อนๆเนี่ย ก, กำลังจะต้อนวัวต้อนควายกลับบ้านค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเห็นคนเยอะแยะแบบนี้เอ๊ก็เลยพากันมันดูกับเขาบ้างเดี๋ยวจะเสียชื่อไทยมุงกันหมด ก็เลยาพาไปมุงดูค่ะเมื่อไปถึงก็เลยไปมุงมากขึ้นกว่าเดิมก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้โดยสารก็ได้เดินทางมาที่ศพที่นอนตะแคงอยู่แล้วก็พลิกศพมานอนนอนหงายขึ้นเน่ยนะคะพร้อมกับก้มตัวลงเขยา่าศพพร้อมกับเรียกชื่อบอกว่าคำมูลคำมูลแต่ก็อย่างว่าเนาะคุณผู้ฟังศพหน้าหายไปตั้งครึ่งนึงจะรอดได้อย่างไรชายหนุ่มคนนั้นเล่า ว, ว่านายคมูลเนี่ย เป็นเพื่อนกับเา้าอายุ25่สิบห้ปีพอดีกําลังเป็นจ่เพศเลยแหละเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดจะ ก, กลับอุบลแล้วก็นั่งบนหลังคารถมาด้วยกันก็มีคนถามบอกเอา้าแล้วทาไมไม่นั่งชั้นล่างทำไมต้องขึ้นไปนั่งบนหลังคารถด้วยเพื่อนเขาก็เลยบอกจริงๆแล้วผมกับผู้ได้สารคนอื่นก็อยากนั่งชั้นล่างแต่ว่ามันเต็มก็เลยต้องขึ้นไปนั่งบนหลังคารถเพราะว่าหากจะนั่งชั้นล่างก็ต้องรอรถเที่ยวต่อไปอีกไม่ต่ํากว่า 5-6 ชั่่ววโมงและสนมากกพวกที่นั่งบนหลังคานีก็หนุ่มทั้้งนนั ให้มุงคนหนึ่งเอ่ยขึ้นบอกว่าส่วนเงิน30บาทของนายคำมูลซึ่งเป็นชนวนเหตุทำให้นายคำมูลถึงแก่ความตายเนี่ยเป็นเหตุการณ์แบบนี้ในสมัยนั้นเนี่ยจะไม่มีให้เห็นกันง่ายๆนะคือมันหล่นอยู่ที่พื้นถนนเป็นธนบัตรฉบับละ10 บ, บาทรุ่นสีแดงอมชมพูพระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สวยงามมากค่ะศพของนายคำมูลอยู่เลยธนบัตรไปประมาณ20เมตร ตายหงแบบนี้เฮี้ยนชะมัดเลยเสียงจักไทยมุงคนหนึ่งพูดขึ้นกระทำเอาบรรดาไทยมุงคนอื่นต่างมองหน้ากันแล้วค่ะก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามันจะต้องเฮี้ยนแล้วพูดทำไมล่ะผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้น เมื่อตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเสริลภูมิทราบเรื่องก็ได้มาชนะสูตรพลิกศพตามธรรมเนียมส่วนศพของนายคำมูลก็จะถูกนำไปฝังไว้ที่ป่าช้าอำเภอเสริลภูมิหรือว่านำไปที่จังหวัดอุบลก็ไม่ได้ติดตามข่าวเนาะว่านำไปที่ไหนกันแน่นะคะและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาค่ะบริเวณที่นายคำมูลนอนตายใกล้กันกับเงิน30บาทเนี่ย พอตกกลางคืนก็จะเกิดเหตุการณ์สยองขึ้นคือคนขับรถผ่านตอนกลางคืนซึ่งในสมัยนั้นรถรานีีม้มไม่ค่อยเยอ ะ, อะนั่นน่จะมีทีหนึ่งวิ่งผ่านสักคันแสงไฟจากหน้ารถส่องเห็นคนค่ะคล้ายๆก้มๆเงยๆเหมือนหาอะไรบางอย่างแต่พอรถวิ่งเข้าไปใกล้ก็หายไปทั้งคนขับคนขับรถผ่านบริเวณนั้นตอนกลางคื น, นก็เจอบ่อยมากคือมีคนมาก้มๆเงยๆเหมือนหาของแต่พอขับไปก็คือหายไปแล้วนะคะบางรายนี่เจอมาโบกรถ ทำทีขออาศัยไปด้วยแต่พอเข้าไปใกล้ชายคนนั้นก็หายไปบางทีก็เห็นเป็นวัวเป็นควายเป็นหมาเป็นแมวกระโดดข้ามถนนตัดหน้ารถแต่มีขาจรรายหนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังไม่ทราบว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีผีนายคำูลเฮียนอยู่ขี่รถจักรยานตามมามาตามถนนในเวลากลางคืนนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทาไมท้ายรถมันหนักผิดปกติว่าถีบไม่ค่อยออก ก็เลยหันหลังกลับไปมองที่แต่กระแงงท้ายรถเจอบุคคลไม่พึงประสงค์ค่ะนั่งอยู่ใบหน้ามีครึ่งเดียวเจ้าประคุณเอ้ยถึงกับช็อกสลบไปเลยพอดีมีคนขับรถผ่านมาก็เลยช่วยกันประถมพยาบาลจนฟื้นแล้วก็ถามว่าเอา้าทำไมขี่รถจักรยานคนเดียวตอนคืนแบบนี้ไม่เคยได้ยินได้ฟังข่าวแล้วบ้างเหรอว่าบริเวณนี้ผีมันดุมันหลอกคนมาเยอะแล้ว บรรดาคนขับรถผ่านตอนกลางคืนเนี่ยต่างพากันขยีดขยาดทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อรถวิ่งมาถึงจุดนี้ก็ต้องชะลอความเร็วของรถลงแล้วก็บีบแตรสามครั้งนะคะบีบแตรสามครั้งเนี่ยก็จะเชื่อว่าเป็นการขอทางประมาณนี้นะคะก็อพอต่อมาค่ะเป็นรายของผู้เล่าเรื่องนี้กับเพื่อน2คน ที่ไปเลี้ยงควายมาแล้วก็ไปเป็นไทยมุงเขานี่แหละคืนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้พากันไปชมมหหอดศพยอดฮิตของภาคอีสานนั่นคือหมอลำมูคุณผู้ฟังรู้จักไหมคะหมอลำมูซึ่งถูกจัดขึ้นที่หมู่บ้านอื่นแล้วก็เส้นทางที่จะไปเนี่ยถ้าจะไปทางลัดก็จะเฉียดบริเวณนั้นด้วยหมอลำมู่คณะนี้ข่าวว่าพระเอกหล่อมากนางเอกสวยมากนะคะแถมเสียงดีอีกต่างหากตัวตลกก็เยี่ยมยอดเลยทีเดียว ตอนขาไปก็พากันไปแต่หัวค่ำค่ะแล้วก็ตกลงกันว่าจะกลับทางอื่นซึ่งจะอ้อมไกลหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะไม่อยากเจอความเฮี้ยนของผีนายขมูลพอหมอลาหมู่เลิกประมาณตีสอนะคะผู้ที่เล่าเรื่องนี้กับเพื่อนเนี่ยก็พากันกลับบ้านที่เคยตกลงกันไว้ว่าจะกลับทางอื่นก็ผ่านขี้เกียจเดินไกลก็เลยตัดสินใจอะกลับทางเก่าละกันและเมื่อเดินทางมาถึงที่ ที่บรรจบถนนใหญ่ก็ต้องผ่านดอนปู่ตาซึ่งตั้งอยู่ในป่ารกครึมก็มีต้นไม้ขึ้นสูงใหญ่แงนคอตั้งบ่าทั้งนั้น ในดอนจะมีสารเจ้าอยู่สองสารคู่กันค่ะในว่าปู่ตาที่สารแห่งนี้จะเป็นผู้ที่ปกปักรักษาคนในหมู่บ้านชาวบ้านจะเคารพศรัทธากันมากใครจะลบหลู่ไม่ได้ค่ะเคยมีคนเจอดีมาแล้วบริเวณดอนปู่ตานี่บรรยากาศมันจะวังเวงอย่างมากเลยเย่ายวว่าแต่กลางคืนกลางวันนี่แหละถ้าไม่มีเพื่อนหลายคนไม่มีใครกล้าเข้าไปทีนี้เมื่อมาถึงดอนปู่ตา ผู้ที่เล่าเรื่องนี้กับเพื่อนอีกสองคนก็ใจแป้วแล้วค่ะมีพีใครอยากจะเดินตามหลังกันพอถึงถนนใหญ่ก็ได้ยินเสียงเหมือนม้าวิ่งเสียงมันดังมาจากบริเวณที่นายคํามูลนอนตายเสียงดังกุบกับกุบกับกุบกับเสียงเหมือนม้าในในภาพยนตร์วิ่งอะนะคะทั้งทางที่หมู่บ้านย่านนั้นไม่เคยมีคนเลี้ยงม้าเลยเขากับเพื่อนก็เลยมีไฟฉายเนี่ยสองกระ บ, บอกก็เลยฉายไฟไปยังต้นเสียง ทันใดนั้นเองคุณผู้ฟังแสงไฟได้ส่องไปเจอกับหมาดําขนาดใหญ่ลำตัวของมันเนี่ยเท่ากันกับน้องๆของม้าเลยมันกำลังจ้องมายัางพวกคนที่เล่าเรื่องนี้กับเพื่อนแค่นั้นแลหละค่ะก็บอกเฮ้ยผีหรอกเสียงของเพื่อนคนหนึ่งร้องขึ้นเท่านั้นแลหละค่ะเขากับเพื่อนอีกสองคนเนี่ยก็ใส่ตีนหมาอา้าหมาดาก็หมาดาเจอตีนหมาเล็กเข้าไปเนี่ย ไม่คิดชีวิตค่ะมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปอีก 4-500 เมตรเมื่อถึงหมู่บ้านก็พากันหอบซี่โครงบานหุบบานหุบอยู่นะคะแล้วต่างก็โทษกันไปโทษกันมาบอกกูว่าแล้วให้กลับทางอ้อมรู้ทั้งรู้ยังโดนผีหลอกจนได้ความเฮี้ยนของนายคำมูลที่ยังห่วงหาอาววรับเงิน30บาทของเขาเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วไปค่ะคนที่ไม่เคยทราบข่าวเกี่ยวกับความการตายของนายคำมูล กระโดดรถตายเพราะว่าเสียดายเงินผ่านมาบริเวณนั้นตอนกลางคืนคนเดียวเนี่ยก็จะโดนผีตายหงนายคำมูลเนี่ยหลอกแทบจับไข้หัวโกรนกันมานักต่อนักแล้วนะคะ